จเจริญพรหนะลวงพ่อจะไม่ใช้เวลาของพวกเรามาก น, นะช่วงบ่ายๆถ้าพูดธรรมะยาวๆพวกเราก็หลับเรื่องกินข้าวกันอยากให้ตั้งใจฟังสักหน่อยนะโอกาสที่เราจะได้เรียนธรรมะแท้ๆมันมีไม่มากนะครับถ้าเราเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อบอกนะชีวิตมันจะมีทิศทางที่ชัดเจนขึ้นสําหรับตัวเราเอง หลวงพ่อก็เคยเป็นวัยรุ่นเหมือนพวกเราตอนนั้นก็เหมือนนักศึกษาก็เหมือนกันอย่างเนี้ยความรู้สึกนึกคิดเราไม่รู้ว่าเราเรียนไปทําอะไรรู้แต่ว่าต้องเรียนเพราะคนอื่นเขาเรียนยิ่งเรียนได้มากก็ยิ่งดีเรียกเรียนตามๆกันไปเรียนแล้วก็กะว่าต้องไปทํางานทําไมต้องทํางานเพราคนอื่นเขาทํางานแล้วก็หาเงินเยอะๆ หาเมียสวยๆถ้าเมียรวยได้ยิ่งดีเพราะคนอื่นเขามีกันถ้ามีเมียเราต้องมีลูกต้องลูกต้องใยๆด้วยลูกอีเดียดก็ไม่อยากได้เรากต็ตะเกียกตะกายนะชีวิตเราดิ้นรนมาเรียนหนังสือไปเรื่อยๆเพราคนอื่นเขาทำเราก็ทำตามเขาในใจลึกๆเนี่ยมันรู้สึกว่ามันไม่มีทิศทางที่ชัดเจนของตัวเอง เราไม่รู้ว่าเรามีชีวิตอยู่เพื่ออะไรพวกเราใครเคยถามตัวเองไหมว่าเราเกิดมาทำไมมีไหมมีบ้างเหมือนกันนะคือถ้าเราบางคนนะมันไม่คิดมากก็ตามตามเข้าไปเรื่อยเืเรียนหนังสือตามเขาไปมีครอบครัวตามเข้าไปทำงานตามเข้าไปสุดท้ายก็แก่ตามคนอื่นไป เจ็บตามคนอื่นไปตายตามคนอื่นไปชีวิตไม่เห็นมีอะไรขึ้นมาเลยเป็นมนุษย์ทั้งทีมันควรจะมีอะไรดีกว่านั้นแต่เราไม่รู้ว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรจนมันได้ศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าถึงรู้ว่าชีวิตเรามีภารกิจของชีวิตเราไม่ได้เกิดมาลอยๆเหมือนหมูเหมือนหมาหมาเขาเกิดมาอย่างนั้นแหละเป็นลูกหมาแล้วก็เรียนวิธีวิ่งวิธีลา่าสัตว์วิธีเฝ้าขโมย ทำหน้าที่ของหมามีครอบครัวของหมาแล้วหมาก็ตายชีวิตเราคงไม่ได้ขนาดนั้นพอมาได้ศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าเราถึงได้รู้ว่าภารกิจจริงๆในชีวิตเราเนี่เพื่อยกระดับจิตใจของเราเนี่ยให้พ้นจากความทุกข์ให้ได้ในโลกนี้เต็มไปด้วยปัญหานาน า, น า, นานชนิดนะปัญหาสารพัดปัญหา ยังเด็กอยู่พก็ไม่ค่อยรู้สึกบางคนก็มีปัญหาบางคนส่วนหนึ่งไม่รู้สึกเลยพ่อแม่รับปัญหาไว้ให้แทนไม่ต้องสนใจเรื่องทรอาหาจินบางคนต้องทำเรียนไปทํางานไปพวกคุณหนูทั้งหลายสบายไม่รู้เรื่องเลยกว่าจะรู้ว่าชีวิตมันมีปัญหาอยู่ตลอดชีวิตเนี่ยคนรอจนแกกว่าจะรู้สึกคนไม่รู้เรื่องเลย ในชีวิตของเราเนี่ยไม่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบนะจะจงใจหรือไม่จงใจก็ตามปัญหาในชีวิตเนี่ยรออยู่เหมือนคลื่นกระทบฝังเลยจบเรื่องนี้เรื่องหนึ่งเรื่องอื่นก็มาแล้วเราลองมาทบทวนชีวิตของเราที่ผ่านมาเรามีปัญหาอะไรบ้างในชีวิตของเราอยากจะเลือกเรียนที่ไหนอยากเรียนที่นี่แต่เข้าไม่ได้เข้าได้ไม่มีเงินจะเรียนอะไรนีนะ่อยากมีเพื่อนก็ไม่มีใครเขาคบ ยิ่งพวกเรารุ่นหลังๆนะหลวงพ่อสังเกตดูคนไทยเนี่ยเราก้มหน้าก้มตาเล่นในลายเลยอะไรนี่มากนะประเทศที่เขาเจริญแล้วเขาไม่เล่นกันหรอกประเทศด้อยพัฒนานเนี่ยเล่นมากเลยอย่างหลวงพ่อไปดูมาหลายประเทศไม่เห็มีใครเขามานั่งเล่นอย่างนี้นะยกเว้นพวก underdeveloped พวกด้อยพัฒนานจริงๆเราก็กดๆไปด้วยมนุษยสัมพันธ์จริงๆไม่มีแล้ว เราคุยกับความว่างเปล่าหลอกกันไปก็หลอกกันมาเขียนอะไรก็ได้มันถดถอยไม่สามารถอยู่กับโลกได้นานๆไปก็หนีโลกไปฝันฝันอยู่คนเดียวนี่ก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นใหม่ๆนะปัญหาหนักๆที่รออยู่ข้างหน้าอีกเรื่องจะทํามาหากินอะไรประเทศไทยเศรษฐกิจเนถดถอยไปเรื่อยๆ เศรษฐกิจเรายังเติบโตนะแต่คนอื่นเขาโตกว่าเราไม่นานนะประเทศรอบๆนี้เราเคยหัวล้อพมา่าหัวร้ออะไรเศรษฐกิจเขาโตเรือกว่าเราเยอะเลยของเราพอเรจเริญขึ้นมาก็าเผาบ้านเผาเมืองทําลายนูน่นทำลายนี้พุ่นไหวต่อไปจะอยู่ไงจะทํามาหากินยังไงเี่ชีวิตมีปัญหาที่รออยู่อีกเยอะแย ะ, ยะเลยแล้วถ้าเรายังยศรอดไปนะต่อไปแต่ละคนนี้หลรอดไปจนแก่ จะอยู่ยังไงใครจะเลี้ยงเราต่อไปคนแก่จะถูกทอดทิ้งเยอะแยะไปหมดบางประเทศนะตอนนี้คนแก่เยอะญี่ปุ่นเนี่ยคนแก่ทั้งสี่บห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วเหลือคนวัยทํางานเนี่ยไม่มากเท่าไหร่พวกเราต่อไปพอแก่ๆลงไปนะคนแก่เนี่ยจะเต็มบ้านเต็มเมืองจะอยู่ยังไงชีวิตจะอยู่ยังไง จะต้องทนทุกข์ทรมานกับความว้าเวความอดอยากช่วยตัวเองไม่ไหวเนี่ยถ้าเรารู้จักมองนะเราก็ต้องเตรียมตัวเองให้พร้อมเตรียมตัวเองพัฒนาตัวเองวางแผนชีวิตเอาไว้ไม่ใช่ฝันฝันไปเล่นเล่นสนุกสนุกไปวันวันะร้องรำทำเพลงไปพอเวลาที่ชีวิตเผชิญปัญหาจริงๆช่วยตัวเองไม่ไหวก็เรียกร้องให้คนอื่นช่วย คนอื่นมันก็ช่วยตัวเองไม่ค่อยไหวเหมือนกันสังคมเองมันก็รับไม่ไหวอย่างยุโรปเนี่ยแต่ก่อนมันมีรัฐสวัสดิการเยอะรัฐเนี่ยช่วยเหลือประชาชนมากเลยตกงานก็มีเงินให้กินอะไรต่ออะไรทุกวันนี้ไม่มีนะเริ่มบางประเทศเนี่ยไม่มีแล้วอย่างกรีกเกลือกอะไรเนี่ยไม่มีละนั้นชีวิตเนี่ยเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนอยังต้องตั้งอกตั้งใจนะตอนนี้จะเรียนก็เรียนซะอย่าเอาแต่เล่นนะ ให้มีนมีความรู้จริงๆขึ้นมาอย่างน้อยมีต้นทุนมีต้นทุนสําหรับที่จะทํามาหากินต่อไปข้างหน้าอย่าประมาทอย่าพเพลิดเพลินอย่าลงก็เอาอยายมุกทั้งหลายสิ่งเสพติดทั้งหลายห่างๆซะไม่มีใครจเจริญขึ้นมาเพราะสิ่งเหล่านี้เลยเนี่ยเป็นการเตรียมตัวเองนะเรารู้จักพัฒนาใจของตัวเองให้ดีที่สุดเลยชีวิตมีปัญหามากมาย แต่คนสองคนเนี่ยมีความทุกข์ไม่เท่ากันนะคนที่เผชิญปัญหาด้วยกันเนี่ยปัญหาอย่างเดียวกันบางคนเผชิญแล้วทุกข์มากเลยบางคนเผชิญปัญหาเนี่ยมีแต่ปัญหาแต่ไม่มีความทุกข์ปัญหากับความทุกข์เนี่ยเป็นคนละอันกันเป็นคนละเรื่องกันนะเหตุใดว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยพอมีปัญหาแล้วมันก็แถมความทุกข์เข้าไปด้วยเช่นตกงานก็กลุ้มใจความกุ้มใจไม่ได้ทําให้มีงานทํา ยิ่งทำให้ไม่มีพลังจะทำงานซด้วยซ้ำไปอกหักก็กลุ่มใจเจ็บไข้ได้ป่วยก็กลุ่มใจถามว่าใครเป็นคนเจ็บป่วยก็ร่างกายมันเจ็บป่วยแต่ใจที่ไม่เคยฝึกพอร่างกายเจ็บป่วยจิตใจก็เจ็บป่วยไปด้วยหรือไม่เจ็บไม่ป่วยแข็งแรงดีไม่มีเพื่อนเลยเหงาเนี่ยจิตใจก็มีความทุกข์ขึ้นมาอีกการที่เราไม่ได้ค ร, บรอบกับคนอื่นอาจจะมีปัญหา เรื่องมนุษยสัมพันธ์เรื่องอะไรแต่บางคนนะไม่ได้ยุ่งกับใครแต่มีความสุขเพราะฉะนั้นในเรื่องความทุกข์กับปัญหานี่คนละเรื่องกันถ้าเรามาฝึกจิตฝึกใจตามที่พระพุทธเจ้าสอนเนเราจะสามารถแยกออกไปได้นะระระวางปัญหากับความทุกข์ปัญหาเป็นสิ่งที่ไม่เคยหมดไปจากชีวิตเลยคนรวยแค่ไหนนะก็มีปัญหา บางคนมีอำนาจมีชื่อเสียงเครียดกลัวเขายิงไปไหนก็ต้องมีบอดี้การ์ดเยอะๆไม่มีความสุขพระพุทธเจ้าสอนให้เราฝึกจิตฝึกใจของเรานะจนกระทั่งมันไม่ทุกข์สามารถอยู่กับปัญหาหนานาชนิดได้อย่างปัญหาพื้นฐานที่ทุกคนต้องเจอนะเราต้องแก่เราต้องเจ็บเราต้องตายปัญหาพื้นฐานที่แต่ละคนต้องเจอก็คือ ถึงเวลาหนึ่งเราต้องพลัดพรากจากคนที่เรารักหรือสิ่งที่เรารักพวกเราในนี้ใครพ่อแม่ตายไปแล้วมีไหมยกมือสิมีไห ม, ย ม, อ, ม, ไหมอย่างนี้ก็พอสมควรแล้วนะพ่อแม่อยู่ก็เรื่องอมตะมากแล้ว <c oughs> บางคนเด็กๆกับพ่อแม่ตายน้าสงสารเราพลัดพรากจากคนที่เรารักเราเลือกไม่ได้บางคนมีแฟนแฟนทิ้งเราไปเราสั่งไม่ได้ว่าต้องเป็นแฟนเราตลอด มันมีปัญหาเกิดขึ้นนะเราพร้อมไหมที่จะเผชิญกับความพลัดพลาจากสิ่งที่เรารักจากคนที่เรารักเราพร้อมไหมที่เราต้องเผชิญกับสิ่งที่เราไม่ชอบหรือคนที่เราไม่ชอบวันข้างหน้าก็ต้องมีเรียนจบไปไปทำงานนะก็ต้องเจอเพื่อนร่วมงานบางคนเราก็ชอบบางคนเราก็เกลียดบางคนมีนายหัวหน้าไม่ดีเราเกลียดเราต้องอยู่ด้วย หรืทุกวันนี้เป็นนักศึกษาอยู่เราก็มีเพื่อนที่เรารักเรามีเพื่อนที่เราเกลียดเพื่อนที่เรารักดีๆก็รี้ทายไปเลยก็มีไอคนที่เกลียดไม่ยอมไปไหนสักทีอยากให้มันไปมันก็ไม่ไป ม, มันอยู่กับเราเอยู่นะเนื้อชีวิตมันจะเป็นอย่างนี้นะเราจะต้องเผชิญหนีไม่พ้นเลยความแก่ความเจ็บความตายความพลดัดพลากจากสิ่งที่รักการประสบสิ่งที่ไม่รักความผิดหวังนานาช น, นิดยิ่งมีความหวังมากก็ยิ่งมีโอกาสผิดหวังมาก เพราะความหวังมันไม่มีที่ส้นสุดความอยากมันไม่มีที่ส้นสุดอยากได้อย่างนี้พอได้มาก็อยากอย่างอื่นต่อเพราะฉะนั้นใจเนี่ยยังไงก็ไม่เต็มใจยังไม่อิ่มพระเจ้าเจ้าสอนเราให้เรามาพัฒนาใจของเรานะไม่ว่าร่างกายนี้จะแก่จะเจ็บจะตายใจไม่ทุกข์ไม่ว่าเราจะต้องพลัดพลากจากคนที่เรารักต้องเจอสิ่งที่ไม่รักต้องผิดหวังไม่ทุกข์เะั้นจุดหมายปลายทาง ในศาสนาพุทธนี่ก็คือเมื่อฝึกษาปฏิบัติแล้วเนี่ยเราจะไม่ทุกข์จะไม่มีความทุกข์เ ป, เป้าหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนานะคือเข้าถึงความดับทุกข์ไม่ทุกข์ปัญหามีอยู่แต่ใจไม่ทุกข์นี่ทำยังไงเราจะเข้าถึงความดับสนิทแห่งทุกข์ได้พระพุทธเจ้าก็สอนวิธีการงั้นคําสอนในพระพุทธศาสนาเนี่ยจะวนเวียนอยู่ในสองหัวข้อนะเรื่องตัวทุกข์อันหนึ่ง เรื่องวิธีที่จะปฏิบัติเพื่อให้พ้นจากทุกข์อีกอันหนึ่งจะวนเวียนอยู่ในเรื่องพวกนี้งินพุทธศาสนาไม่ใช่เรื่องตายแล้วเกิดไหมผีมีจริงไหมเทวดามีจริงไหมเราลึกชาติได้จริงไหมรู้วารา จ, จิตคนอื่นได้จริงไหมอะไร่านันน้นไม่ใช่สาระสาคัญศาสนาพุทธก็ไม่ใช่แค่เรื่องว่าถึงวันเกิดก็ไปใส่บาทถึงวันตายก็ไปเผาในวัด บางประเทศเขาไม่เผาศพในวัดแล้วมันมีบริษัทเผาศพเผาแล้วก็ควบคุมอุณหภูมิได้นะควบคุมอากาศได้เผามากระดูกเป็นแก้วเลยใครอยากให้ตัวเองเป็นพระาธาตุนะก็ไปจ้างเขาเผาเราจะได้กระดูกเป็นพระาธาตุมาสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สาระสําสคัญของพุทธาศาสนาสิ่งที่เป็นสาระสําสคัญก็คือเราจะเรียนเรื่องทุกข์กับความตับสนิทแห่งทุกข์ความทุกข์ มันไม่ใช่ปัญหาบอกแล้วแต่ถ้าเมื่อไหร่ใจเรามีความอยากอยากให้ไม่มีปัญหานั่นแหละจะทุกขึ้นมาเช่นเราต้องเจอคนที่เราไม่รักเจอคนเกลียดอยากให้มันหายไปเร็วๆเรากรุ่มใจนะแต่ถ้าใจเราเป็นกลางกับมันใจเราเกลียดคนนี้เรารู้ทันว่าใจกำลังเกลียดนยความเกลียดมันจะกระเด็นออกจากใจเราเองไม่ต้องทำอะไรเลยแค่เรารู้ทันใจของตัวเองท่านเองหรือเรารักคนสักคนหนึ่ง รักเราก็อยากจีบเขาอะไรเงี้ยเขาไม่สนใจเราทุกเนี่ยถ้าเรารู้ทันใจของตัวเองรู้ทันว่าใจมันมีความรักคนนี้แล้วถ้าเรารู้ทัน น, นะนะความรู้สึกเนี่ยมันจะไม่ครอบงาใจเราใจมันจะเป็นตัวของตัวเองได้นะเนี่ยเราต้องค่อยๆมาฝึกตัวเองถ้าเมื่อไรใจเราสิ้นความอยากใจจะสิ้นความทุกถ้าเมื่อไร่ใจมีความอยาก ใจจะมีความทุกข์ท่านถึงเรียกความอยากหรือตัวตัณหาว่าเป็นตัวสมุทัยถ้าเราไม่คุ้นกับภาษาพระฟังแล้วกลุ้มใจที่จริงก็คือความอยากนั่นแหละมันทำให้ทุกข์เกิดขึ้นในใจเราเราร่างกายเรามีอยู่เราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราอยากให้ไม่แก่อยากให้ไม่เจ็บอยากให้ไม่ตายพอแก่เรากลุ่มใจนะพอเจ็บก็กลุ่มใจพอจะตายก็กลุ่มใจเป็นทุกข์ขึ้นมาล ในชีวิตเราเราต้องเจอสิ่งที่ชอบบ้างไม่ชอบบ้างเนี่ยเราก็อยากอยากจะเจอแต่สิ่งดีๆถ้าสิ่งดีๆผ่านเข้ามาในชีวิตเราเราก็ไม่อยากให้มันผ่านไปเราไม่อยากให้สิ่งเร็วๆผ่านมาในชีวิตเราถ้าผ่านมาแล้วเราก็อยากให้มันไปเร็วๆให้พ้นไปเร็วๆเวลาที่มีความอยากเกิดขึ้นในใจเนี่ยความทุกข์ทางใจจะเกิดขึ้นไปลองสังเกตดูนะว่าเป็นจริงหรือไม่จริงธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ทํางานงี้เง่า ที่มาบอกว่าต้องเชื่อต้องเชื่อนะพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านบอกว่าท่านท้าให้พิสูจน์ธรรมะของท่านเนี่ยท่านบอกว่าพึงกล่าวกับผู้อื่นว่ามาลองดูเถิดเป็นการท้าทายนะหลวงพ่อก็ขอท้าพวกเราดูว่าให้ไปสังเกตใจตัวเองว่าถ้าใจเรามีความอยากเกิดขึ้นน่ยใจจะมีความทุกข์จริงหรือไม่จริงทันทีที่อยากก็ทุกข์แล้วพออยากแล้วไม่ได้อย่างอยากยิ่งทุกข์หนักเข้าไปอีกแต่ความทุกข์ที่เกิดขึ้น อยู่ชั่วคราวเราก็ต้องหายไม่มีความทุกข์ที่อมตะหรอกนี่เราค่อยๆสังเกตความจริงของชีวิตเราความทุกข์มันมาได้เพราะใจมันอยากเป็นสังเกตนะว่าจริงไม่จริงหลวงพ่อท้านะท้าให้พิสูจน์ถ้าพวกอายุเยอะหน่อยเนี่ยผ่านชีวิตมาเยอะเรารู้เลยว่าแค่อยากก็ทุกข์ละยังอยากจีบสาวสักคนหนึ่งต้องวางแผนนะทำไงจะได้ทําไงเขาจะยอมอะไรเงี้ยใจเขากางังวลแะ เขาจะยอมรับเราเป็นแฟนไหมอะไรเงี้ยจีบมาได้แล้วทําไงจะรักษาเขาไว้ไม่ให้เขาไปกับคนอื่นซะก็กลุ้มใจอีกนะเป็นภาระขึ้นมาอีกแนละ้วเาแต่งงานกันได้นึกว่าจะมีความสุขแต่ไม่นานเราก็อยา ก, อยากอย่างอื่นต่อไปอีกใช่ไหมอยากไปเจอคนใหม่เอ๊คนเนี้เมื่อไหร่มันจะตายอยากให้มันตายเร็วๆหรืออยากให้มันไปอยู่ที่อื่นเมื่อไหร่มันจะหย่ากับเราสัทีมันก็ไม่ยอมยาใช่ไหมตอน มันน่ารักจีบมันก็จีบยากจีบมาแล้วมาอยู่บ้านเราเพอมันแก่หน้าตาน่าเกลียดนะอยากให้มันไปมันก็ไม่ไปอีกแล้วใจมันจะเต็มไ่ด้วยความทุกข์นะไปลองดูว่าจริงหรือไม่จริงทุกคราวที่อยากก็ทุกทุกทีไปสังเกตใจตัวเองแล้วทำไงล่ะความอยากห้ามได้ไหมความอยากก็ห้ามไม่ได้ใจมันจะอยากลองไปดูตัวเองนะว่าจริงหรือไม่จริงว่าความอยากก็ห้ามไม่ได้ หลวงพ่อให้ไปทําการบ้านสองพ่อแล้วนะอันแรกไปลองสังเกตดูว่ามีความอยากแล้วจะมีความทุกข์จริงหรือไม่จริงเอาจดไว้ด้วยนะ <c oughs> เดี๋ยวก็ลืม <c oughs> แล้วไปไปสำรวจตัวเองดูว่าจริงหรือไม่จริงมีความอยากแล้วก็มีความทุกข์ขึ้นมาเอาจริงๆเอาตัวเดียวแค่นี้ก่อนก็พอแล้วเหลือเฟือแล้วถ้าจะประณีตมากขึ้นก็สังเกตไปอีกใจจะอยากสั่งได้ไหม สั่งไม่ให้อยากได้ไหมไปสังเกตดูไปสังเก ต, เกตจากของจริงๆอะ่ะธรรมะของพระเจ้าไม่ใช่เรื่องเลื่อนลอยนะมันเป็นศาสตร์จริงๆเราเรียนรู้ลงมาในชีวิตจิตใจของตัวเองเนะี่ยเราจะเห็นความจริงตามที่ท่านบอกเมื่อไรมีความอยากเมื่อนั้นก็มีความทุกข์จะห้ามใจไม่ให้อยากก็ห้ามไม่ได้ใจมันอยากได้เองนะตรงที่ใจมันอยากได้เองบังคับมันไม่ได้เรียกว่าอนัตตา อีสับเรียกว่าอนัตตาพวกเราไม่จําเป็นต้องรู้ศัพท์ภาษาบาลีก็ได้ไม่จําเป็นเท่าไหร่รู้จักของจริงในใจเรานี่แหละไปสังเกตมีความอยากเราจะทุกข์จริงหรือไม่จริงแล้ค ว, วามอยากน่ะควบคุมได้ไหมบังคับได้ไหมในความเป็นจริงแล้วบังคับมันไม่ได้หรอกความอยากนี่มันเกิดจากอะไระมันเกิดจากอยากให้ร่างกายอยากให้จิตใจนี้มีความสุขอยากให้ร่างกายอยากให้จิตใจเนี้พ้นจากความทุกข์ มันมีความอยากนานาชนิดนะอยากดูอยากฟังอยากได้กลิน่นอยากได้รสอยากได้สัมผัสทางกายอยากได้เรื่องราวสนุกสนานทางใจแต่ทุกๆอยากนะมันมาเพื่อสนองเซลล์ของตัวเองทำไงไอตัวนี้จะมีความสุขตัวนี้ก็คือกายกับใจเนี้ยจะมีความสุขทำไมกายนี้ใจนี้จะไม่มีความทุกข์ถ้ามันไม่มีความสุข <violent> ก็อยากได้ความสุขมันมีความทุกข์ก็อยากให้ควา ม, าวามทุกข์มันหายไปแล้วก็ตัว ด, ดิ้นรน เวลาเราอยากมีความสุขเราทำอะไรบ้างยกตัวอย่างเราก็ไปดูหนังไปฟังเพลงใช่ไหหาอารมณ์ที่เพลิดเพลินพอใจไปคุยกับเพื่อนนะไปไลนะ์ไปทาอย่างนู้นทำอย่างนี้ไปร้องรำทำเพลงนะที่นั่งรถเข้ามาก็เห็นนะพวกเราอาจจะไม่ใช่ที่นี่ก็ได้มีหลายมหาวิทยาลัยแถวนี้ กินข้าวใหม่ๆนะร้อนก็ร้อนนะยังผิเต้นอยู่กลางแดด <c oughs> คนแก่เห็นแล้วใจหายน่าจะเป็นลมนะเด็กๆไม่เป็นไรเราไปดูสังเกตตัวเองนะศา ส, สนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาแห่งการเรียนรู้ตัวเองเราจะเรียนรู้ตัวเองไปเรื่อยแล้วเราจะพบว่าความอยากเนี่ยมันเกิดจากอะไรความอยากมันเกิดจากการที่เราไม่รู้เราไม่เข้าใจความเป็นจริงของชีวิต ชีวิตเราต้องแก่ชีวิตเราต้องเจ็บชีวิตเราต้องตายจิตใจเรายอมรับความจริงตัวนี้ไม่ได้จิตใจก็เลยอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายความจริงของชีวิตก็คือเราต้องสมหวังบ้างผิดหวังบ้างต้องเจ อ, อสิ่งที่รักบ้างต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักบ้างเราไม่อยากเราไม่อยากเจอสิ่งเร็วเราอยากเจอสิ่งดีๆเนี่ยมันเกิดจากความนะรักตัวเองนะรักตัวเองอยากให้ตัวเองมีความสุขอยากให้กายนี้ใจ น, นี้มีความสุข อยากให้กายนี้ใจนี้พ้นจากความทุกข์งั้นความอยากเนี่ยมีรากเหง้ามาจากความไม่รู้ภาษาพระเรียกว่าอาวิชาความไม่รู้ไม่รู้อะไรไม่รู้ความจริงของชีวิตคือไม่รู้ความจริงของร่างกายจิตใจของตัวเองงั้นศาสนาพุทธเนี่ยจะมีวิชาอยู่อันหนึ่งเป็นสุดยอดวิชาเลยในศาสนาอื่นหรือศาสนาอื่นๆเนี่ยไม่มีเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐาน วัสนากรรมฐานเนี่ยเป็นศาสตร์แห่งการเรียนรู้ตัวเองมาเรียนรู้ว่าจริงๆแล้วร่างกายเนี่ยเป็นยังไงจริงๆแล้วจิตใจของเราเป็นยังไงพวกเรามีร่างกายทุกคนแต่เราไม่ได้สนใจร่างกายของเราสนใจก็ไปเดี๋ยวประดาวทายคิ้วทาหน้าทาต า, า, าอะไรทำผมแต่งเนื้อแต่งตัวเวลาที่เหลือเราหลงหลงออกไปลืมตัวเองจิตใจของเราเนี่ยเราก็ไม่ได้สนใจมัน จิตใจเราจะชั่วจะดีแล้ไม่สนใจไม่รู้เรื่องเลยเกี่ยวกับจิตใจของตัวเองเพราะเราไม่มีความรู้เกี่ยวกับตัวของตัวเองพระพุทธศาสนาเนี่ยสอนให้เรามาเรียนรู้ตัวของตัวเองการเรียนรู้ความจริงของกายของใจเนี่ยเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานอย่าไปกลัวชื่อภาษาแขกนะมันคือการเรียนรู้ตัวเองพวกเรามีร่างกายทุกคนแต่เราลืมมันตลอดอย่างเวลานั่งฟังหลวงพ่อเนี่ย บางคนก็เกาใช่ไหมคันก็เกาบางทีเมื่อยก็ขยับเราไม่เคยเห็นเลยเราไม่เคยรู้สึกนะว่าร่างกายเนี่ยถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ทำไมเราต้องเกาเพราะมันทุกข์ใช่ไหมมันคันทำไมเราต้องขยับไปขยับมาเพราะมันเมื่อยมันทุกขนะ์ร่างกายเนี่ยมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเลยแต่เราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นเพราะเราไม่ได้ใส่ใจไม่สนใจต่อไปนี้คอยรู้สึก ในร่างกายของตัวเองบ่อยๆนะตัวนี้เป็นศาสตร์ที่สําคัญมากนะเพราะการรู้สึกอยู่ในร่างกายของตัวเองรู้สึกเท่าทันจิตใจของตัวเองเป็นศาสตร์สูงสุดในพระพุทธศาสนาเลยถ้าเราสามารถทําได้ในะวันหนึ่งเราจะรู้ความจริงของกายของใจถ้าเรารู้ความจริงของกายของใจแล้วความอยากจะไม่เกิดขึ้นอีกเมื่อความอยากไม่เกิดความทุกข์ทางใจจะไม่มีอีกนะนี่เป็นเป็นเส้นเป็นสายเป็นเหตุเป็นผลสืบเนื่องกันไป การจะมาเรียนรู้ความจริงของกายของใจนะวันหนึ่งจะรู้ความจริงนะร่างกายเนี้ยไม่ใช่ของวิเศษร่างกายนี้มีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวหิวเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวปวดเดี๋ยวเมื่อยเดี๋ยวคันนะเดี๋ยวปวดอึเดี๋ยวปวดชีนะเดี๋ยวก็เจ็บไข้ได้ป่วยหนักๆขึ้นมาสุดท้ายก็ตายนะวิเศษแค่ไหนก็ตายเนะี่ยความจริงในร่างกายเวลาเรียนรู้ความจริงในร่างกายในพวกเรา วัยรุ่นทั้งหลายบางทีรู้สึกว่าไม่อยากเรียนเรียนแล้วรู้สึกหดหูศา ส, สนาพุทธไม่ได้เรียนให้หดหูนะถ้าเราเรียนรู้เรื่องกายเรื่องใจมากๆนะใจจะมีความสุขที่มหาศาลเลยยิ่งรู้ความจริงนะใจจะไม่มีความอยากใจไม่มีความอยากใจจะ ม, มีบรมสุขนะสภาวะที่สิ้นความอยากนะที่เรียกว่านิพพานนั่นเองคือสิ่งที่เรียกว่านิพพานนั่นเองนิพพานคือสภาวะที่จิตเนะี้ยมันพ้นจากความอยากไม่มีความอยากเกิดขึ้นละ ว่าไม่มีความอยากมันไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นอีกงนะั้นเราไปสังเกตนะว่ามีอยากแล้วมีทุกข์จริงไหมนี่ข้อหนึ่งนะนะมีอยากแล้วมีทุกข์ไหมตัวนี้ตัวสําคัญถ้าเราเห็นว่าอยากทีไร ท, ทุกทีนะมันจะคิดจะต่อสู้แล้วทําไงใจเราจะไม่มีความอยากใจจะไม่มีความอยากเมื่อใจรู้ความจริงของกายของใจ น, ะนี่เป็นเหตุเป็นผลที่สืบทอดจนเป็นลูกโซ่กันเลยเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมี การเรียนรู้กาย ร, รู้ใจของตัวเองนะเป็นเรื่องใหญ่ควรจะเรียนวิชาทางโลกเราเรียนสารพัดวิชาเราเรียนได้ประโยชน์ไหมได้ได้ความรู้ได้เอาไปทำมาหากินได้เลี้ยงตัวได้เลี้ยงครอบครัวได้แต่วิชาธรรมะของพระพุทธเจ้าการเรียนรู้ร่างกายเรียนรู้จิตใจของตัวเองเราได้สิ่งที่ยอดเยี่ยมกว่านั้นอีกนะเราได้ความไม่ทุกข์ทำไมคนต้องไปดิ้นรนทำมาหากินหาครอบครัวหาอะไร ที่จริงอยากมีความสุขหรอกถ้าคิดว่ามีครอบครัวแล้วมีความทุกข์คงไม่อยากมีหรอกเราอยากมีความสุขทําไมควรอยากได้เงินเยอะๆคิดว่าถ้ามีเงินเยอะๆแล้วมีความสุขที่จริงแล้วเราปรารถนาความสุขนะทุกคนอยากได้ความสุขแล้วก็คิดว่าทําอย่างนี้เราสุขทําอย่างนี้ลราสุขเรียนหนังสือเก่งไม่ต้องสอบตกแล้วมีความสุขไม่รีทายก็มีความสุขเรียนจบแล้วมีงานทําก็มีความสุขนะมีเงินเยอะๆมีความสุขมีตําแหน่งใหญ่ๆมีความสุข พอผ่านไปถึงจุดหนึ่งนะ้วเพราะว่ามันไม่ใช่คนยิ่งใหญ่แค่ไหนนะมีตําแหน่งใหญ่แค่ไหนวันนึ่งเขพ้นตําแหน่งไม่มีใครครองตําแหน่งตลอดมีเงินนะเงินก็สมบัติถัดกันชมวันนี้มันเงินเราผู้นี้มันเปของคนอื่นหมดแล้วก็ได้เงินก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆบางคนมีความสุขเพราะมีแฟนแฟนอาจจะทิ้งเราก็ได้ความสุขก็าหายไปมีเพื่อนเพื่อนก็อาจจะตายไปก็ได้ งั้นมันเป็นของที่มีแต่ความไม่แน่นอนในชีวิตแล้วมาเรียนรู้ความจริงนะจนวันหนึ่งใจยอมรับความจริงความจริงของร่างกายคืออะไรความจริงของร่างกายคือมันต้องแก่มันต้องเจ็บมันต้องตายความจริงของร่างกายคือมันมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเราจะทดสอบนะว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์หรือไม่ทุกข์นะพวกเราลองหายใจเข้าที่หายใจเข้าให้ยาวที่สุดเลยยิ่งยาวเท่าไหร่ยิ่งทุกข์เท่านั้นลองสังเกตดูทุกข์ไหมอ่ะ ทำทุกข์มากแล้วหายใจออกหายใจออกให้ยาวที่สุดเลยยาวยาวยเลยรู้สิจะสุขไหมไม่สุขเลยใช่ไหมรู้ว่าอย่างว่าทําไมต้องหายใจเข้ า, ขาก็เพื่อแก้ทุกข์ของการหายใจออกรู้อย่างว่าทําไมต้องหายใจออกเพื่อแก้ทุกข์ของการหายใจเข้ารู้ได้ยังว่าทําไมต้องเปลี่ยนอิริยาบถเดี๋ยวยืนเดี๋ยวเดินเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวนอนเดี๋ยวขยับไปขยับมาเพื่อแก้ทุกข์ของร่างกายรู้ไหมทําไมต้องไปกินข้าว เพื่อแก้ทุกข์ของร่างกายรู้ไหมทำไมต้องขับถ่ายเพื่อแก้ความทุกข์ของร่างกายเนี่ยพอเรามีสติอยู่ในร่างกายบ่อยๆนะเราจะรู้ในะร่างกายนี้เป็นตัวทุกข์เพราะมันเห็นความจริงได้แล้วว่ากายเป็นทุกข์ความยึดถือในร่างกายมันจะหายไปแต่ว่ามันต้องเป็นภูมิธรรมระดับพระนาคามีนะมันสูงหน่อยพวกเราหัดใหม่ๆก็เห็นแต่ว่ามันยังไม่พอค่อยๆฝึกไปวันหนึ่งมันก็คงถึงที่หมายปลายทางเข้าใกล้ความพ้นทุกข์ไปเรื่อยๆ พอเรารู้ความจริงว่าร่างกายเนี่ยไม่ใช่ของเดียวร่างกายนี้มีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลานั่งนั่งก็คันอนึ่งใช่ไหมเนี่ยคันเกายุ่ยเนี่ยเกาแล้วใจลอยใช่ไหมคันแล้วไม่รู้ว่าคันนะเกาหายคันไปแล้วยังไม่รู้เลยว่ามันทุกข์นั่งแล้วมันเมื่อยรู้ซะก่อนว่ามันเมื่อยเราค่อยขยับเนี่ยทาอย่างนี้ก็ได้นะเวลาหิวข้าวรู้ว่ามันหิวนะรู้ว่ามันทุกข์ซะก่อนเราค่อยกินเวลามันร้อนนะรู้ซะก่อนว่ามันทุกข์เราค่อยไปอาบน้ําหรือเข้าห้องแอ เรื way, ่อยค่อยเรียนค่ยเรียนสะสมความรู้ความเข้าใจในร่างกายของเราไปทีละนิดทีละหน่อยแล้วก็มาดูที่จิตใจด้วยในจิตใจเรามีความจริงอะไรที่ดูง่ายๆมีความแปรปรวนตลอดเวลาในจิตใจเราเดี๋ยวก็มีความสุขจิตใจเดี๋ยวก็มีความทุกข์จิตใจเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านเดี๋ยวก็หดหู่ใจของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเวลาตามองเห็นใจก็เปลี่ยน เวลาหูได้ยินเสียงใจก็เปลี่ยนเวลาจมูกได้กลิ่นใจก็เปลี่ยนเวลาลิ้นถูกก ร, รถอาหารเนี่ยใจก็เปลี่ยนเวลามีสิ่งมากระทบร่างกายเราใจเราก็เปลี่ยนเวล า, วาความคิดต่างๆเกิดขึ้นใจก็เปลี่ยนอย่างคิดเรื่องนี้มีความสุขคิดเรื่องนี้มีความทุกข์คิดเรื่องนี้กโกรธสังเกตให้ดีนะอย่างความโกรธนะความโลภความหลงอะไรทั้งหลายนะถ้าไม่หลงไม่โลภไม่โกรธนะอย่างเราขับรถอยู่เนี่ย คนปาดหน้าเราถ้าเราก็ไม่สนใจที่มันปาดนะไม่โกรธนะแต่ถ้าเราสนใจไอ้นี่บางอาจปาดหน้าเรามันแน่สักแค่ไหนเราต้องคิดสัหน่อยหนึ่งนะเราคิดแล้วค่อยโกรธสังเกต ด, ดูเธอความโกรธนะตามหลังความคิดมาความรักก็ตามหลังความคิดมางั้นถ้าเรารักใครสักคนนะไม่ต้องไปกลัวหรอกอย่าไปคิดถึงมั น, นอย่าไปคิดมากะเดี๋ยวก็เลิกรักไปเองเดี๋ยวก็ลืมถ้าคอยคิดเรื่อยๆเดี๋ยวความรักก็เกิดใหม่ หรือเวลาโกรธใครสักคนมีเพื่อนมาว่าเรานะีตั้งแต่ปีไกลคิดที่ไรก็โกรธทุกทีใช่ไหมแต่ถ้าไม่คิดไม่โกรธมิจฉให้ดีเถอะความโลภความโกรธอะไรพวกนี้มันตามหลังความคิดมาเนี่ยเราคอยรู้ทันใจของเราเนะี่ยเจะเห็นเนละความคิดเรื่องนี้มันโลภเราก็ดูทันเราก็จะเห็นว่าความโลภมันอยู่ชั่วคราวแล้วมันก็หายนะอย่างเราไปเดินศูนย์การค้าเนี่ยเห็นได้นี่ยอยากไดนะ้เห็นอยากได้แต่ยังไม่มีเงินซื้อเดินไปอีกหน่อย ไปเห็นอีกอย่างหนึ่งนะลืมมันเก่าแล้วความอยากได้อันเก่าหายไปแล้วไอยากได้อันใหม่ต่อเนี่ยเราค่อยๆสังเกตที่ใจเรานะเีจยเห็นว่าใจเรานี่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเลยเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายตลอดเวลาจะทําการบ้านดูว่าจริงหรือไม่จริงนะมีการบ้านหลายข้อแล้วนะเดี๋ยวต้องให้อาจารย์จดไว้แล้วไปประเมินผลว่าทำการบ้านหรือเปล่าถ้าไม่ทําการบ้านนั้นก็มันก็ไม่เก่งหรอกชาตินี้คงไม่พ้นทุกข์หรอก ไปทำงานบ้านเรื่อยๆนะอย่างรู้สึกอยู่ที่ร่างกายเนะี่ยรู้สึกไปค่อยๆรู้มันมีความทุกข์เกิดขึ้นแล้วก็ค่อยแก้ปัญหามันเมื่อยเราค่อยขยับนะค่อรู้สึกมันร้อนมันหนาวอะไรนะี่ค่อยรู้สึกไปเรนะื่อยมันหิวรู้สึกทางจิตใจก็ค่อยรู้สึกไปทุกอย่างไม่คงทีนะ่ความสุขมาแล้วก็ไปความทุกข์มาแล้วก็ไปความดีมาแล้วก็ไปนะอย่างบางทีเราตั้งใจคืนนี้จะดูหนังสือนะ ตั้งใจจะดูอย่างน้อยสักห้าทุ่มดูไปยังไม่ทันทุ่มเลยเพื่อนโทมา่าลืมไปแล้วที่ตั้งใจไว้นความตั้งใจดีของเราเนี่ยความขยันขันแข็งในการเรียนของเราหายไปแล้วะเพราะอะไรมันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงเพราะมันดึกแล้วไปดูหน้าแล้วเราจะเห็นว่าทุกอย่างในชีวิตเราในความรู้สึกทุกชนิดเนี่ยชั่วคราวทั้งหมดเลย พอเราเห็นนะว่าความสุขเกิดขึ้นอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปความทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปความโลภความโกรธความหลงอะไรอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปใจเราจะฉลาดขึ้นอย่างเรารู้ว่าความสุขมันอยู่ชั่วคราวเนี่ยคนในโลกเนี้ยดิ้นหาความสุขกันดิ้นรนมากมายนะเหน็ดเหนื่อยมากมายเลยหวังว่าจะมีความสุขลืมไปอย่างหนึ่งว่าดิ้นไปเถอะเหนื่อยแทบตายเลยพอได้ความสุขมาอยู่แป๊บเดียวก็าหายไปแล้ว แล้ถ้าใจมันฉลาดพอนะมันจะรู้ว่าทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราเนี่ยเป็นของชั่วคราวทั้งหมดเลยงั้นใจเนี่ยมันจะยุติการดิ้นทุรนทุรายนะแต่มันไม่ไม่เฉ่ยนะความเฉยชาเนี่ยเป็นกิเลสนะอะ่ามแรงจูงใจที่ให้เราทำอะไรที่ดีๆนมันไม่ใช่มีแต่กิเลสไม่ใช่ต้องโลภมากๆหรือจะขยนันทำมาหากินพวกที่โลภมากอยากรวยไปทำงานเนี่ยไม่มีความสุข พระอะไรอยากรวยแต่ไม่ได้อยากทํางานแต่ถ้าเรารักงานงานอย่างนี้เป็นงานที่เราชอบเนี่ยเราทํางานนี้เรามีความสุขแล้วแหะแล้วรายได้นี่ผลเป็นผลคลอยได้เราได้แค่ไหนเราก็มีความสุขนะแต่มันไม่ช่วยเพราะอะไรมันขยันขยันเพราะว่าเรารู้ว่าอันนี้ควรทำํำงั้นโมทีฟไม่ได้มีเฉพาะกิเลสงั้นไม่ต้องกลัวว่าวันหนึงหมดกิเลสแล้วจะขี้เกียจนะไม่ขี้เกียจเลยยิ่งขยันหนักกว่าเก่าอีก ครูบาจารย์ตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมามเห็นมีองค์ไหนขี้เกียจเลยขยันทำงานพาะนพวกเราไปดูใจของตัวเองบ่อยๆนะไปเรียนรู้ความจริงของกายของใจให้มากๆวันหนึ่งก็รู้ร่างกายนี้เป็นตัวทุกวันหนึ่งก็รู้ว่าความรู้สึกในใจนะที่เราอยากสุขอยากดอากาอีอยากอย่างโน้นอยากอย่นี้ถึงได้มานะก็อยู่ประเดี๋ยวเดียวก็ไปแล้วละ่ะอยากได้สิ่งนี้พอได้ปุ๊ ก, ก็เบือ่อนะก็ไปแล้วความสุขตรงนี้ก็หายไปแล้ว ทุกต่อเนี่ยเรียนรู้ลงไปนะจนวันหนึ่งฉลาดนะทุกอย่างที่ผ่านมาในชีวิตเราเป็นของชชคเคราวกระทั่งร่างกายนี้ก็เป็นของโช่วคราวความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายก็เป็นของชัคเคราวถ้าเราเห็นตรงนี้ได้เนี่ยความอยากเนี่ยมันจะไม่มีหรอกความอยากมันจะไม่มีจะอยากอะไรนักหนาลนะ่ะอยากกับของลมๆแรงๆเหมือนฝันฝันไปทั้งอยากได้ความสุขเนี่ยความสุขมันของหลอกๆเดี๋ยวเดียวก็หายไป อยากให้พ้นจากความทุกข์นะอยากให้พ้นจากปัญหาปัญหานะ่ะไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะมันก็หายของมันเองนะถึงเวลาทุกอย่างมันไม่คงที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะเป็นจริงไหมไปดูนะเนี่ยคือความจริงของชีวิตนะที่เราควรจะเรียนดูซิมีความอยากเราจะทุกข์จริงไหมความอยากพรุทธเจ้าบอกว่ามาจากความไม่รู้ความจริงของกายของใจนียเรามาเรียนรู้ความจริงของกายของใจ ยิ่งเรียนรู้ไปความอยากลดลงนะความทุกข์ก็ลดลงนะไม่ต้องรอไปชาติหน้านะสามารถทําได้ในเวลาไม่นานเลยคนที่สนใจจริงๆแล้วเรียนกับหลวงพ่อนะในเวลาเดือนหนึ่งสองเดือน3เดือนเลยเนี้ยชีวิตจิตใจเปลี่ยนอย่างมหาศาลเลยหลวงพ่อกล้าท้าเลยเพียงแต่ว่าเราจะกล้ารับคําท้ามาเรียนกรรมฐานไหมวิธีเรียนกรรมฐานไม่ยากเลยหรอก ไปฟังซีดีหลวงพ่อเยอะๆหน่อยดูยู u ูบหลวงพ่อนะเทปไว้เยอะแยะเลยไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรนะไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรฟังเล่นๆไปบทเวลาที่มันจะเข้าใจมันจะปิ้งขึ้นมาเลยนะมันเป็นวิธีเรียนที่เป็นธรรมชาติเป็นการเรียนที่เป็นธรรมชาติมันเหมือนอย่างพวกเราเรียนภาษามนุษย์เนี่ยอย่างพวกเราพูดภาษาไทยได้นึกออกไหมตอนที่เราเรียนเราเรียนใหม่ใหญ่ไหเราฟังพ่อฟังแม่เราพูดใช่ไหม พูดไปแล้วรู้เรื่องไหมไม่รู้อ่แต่ถึงจุดหนึ่งะมันรู้ปิ้งขึ้นมาเลยนะมันฟังรู้เรื่องขึ้นมาอันนี้หลวงพ่อทดสอบด้วยตัวเองหลวงพ่อตอนยังไม่บวชนะดูลายการโทร ท, ทัศน์เคเบิลทีอะไรเนี้ยดิสคอเวอรอะไรเนี้ยดูเรื่อยทีแรกดูเราฟังไม่รู้เรื่องฟังภาษาฝรั่งไม่รู้เรื่องเ่ยฟังไปฟังไปนะไม่รู้ก็ดูไปเรื่อยๆนะถึงจุดหนึ่งนะมันรู้เรื่องเลยนะรู้แบบไม่ต้องแปลเป็นคาไทยนะ ฟังเขาพูดรุ้มันเข้าใจขึ้นมาเลยเนี่ยมันเป็นวิธีเรียนรู้ที่เป็นธรรมชาติตอนเราเด็กๆ เ, เราเรียนมาด้วยวิธีนี้ทั้งนั้นอนะ่ะแล้วเราลืมไปละเราโตขึ้นมาเรียนด้วยท่องจำเอาเนะี่ยงั้นเวลาเรียนธรร ม, มกกระกับหลวงพ่อนะั้นไม่ต้องทําอะไรยุ่งยากหรอกมีฟังซีดีหลวงพ่อ บ, บ่อยๆถ้ามีแผ่นเดียวก็ฟังแผ่นเดียวถ้าไม่มีก็ไปเปิดในอินเทอร์เน็ตมีเยอะแยะนะอย่าเอาแต่ดูหนังโป้ดูอะไรนะดูพระเทศบงังนะเออถ้านะนะนะนะทนทนฟังไว้สักเดือนหนึ่ง ชีวิตจะเปลี่ยนชีวิตจิตใจจะเปลี่ยนเดือนสองเดือนอนะไรเงี้หลวงพ่อไปเทศต่างจังหวัดนะบางทีไปที่ไกลๆนั่งรถไปเนะี่ยเห็นคนเดินอยู่ข้างถนนีรู้เลยนะว่าฝั่งซีดีคนที่ฟังซีดีหลวงพ่อหน้าตาไม่เหมือนมนุษย์ปกตินะมันดูผ่องใสนะดูสดชื่นดูมีความสุขดูร่าเริงดูรู้เนื้อรู้ตัวเนะมบางทีไปต่างจังหวัดนะไปแวะเข้าห้องน้ําต่ําปันะ๊มลงจากรถนะ เยอะคารวาเห็นโยมเห็นหน้าหลวงพ่ออุ้ยดีใจหลวงพ่อมารีบ ม, มากราบนะจะถามโน่นถามนี่เนี่ยไม่รู้การาเทสะพระจะรีบเข้าส้วมถามอยู่ได้ไม่รอให้เข้าซะก่อนแล้วค่อยถามเนาะเนี่ยพวกนี้เขาไม่เคยเจอหลวงพ่อนะแต่เขาฟังเขาฟังเขาฟังแล้วเขาบอกว่าเขาเข้าใจแล้วว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรเขารู้แล้วว่าความจริงของชีวิตนะมันอยู่ที่ตรงไหนนะคือเขาสามารถรู้สึกตัวเองได้ รู้สึกแล้วก็เห็นความจริงของร่างกายเห็นความจริงของจิตใจได้แล้วชีวิตจิตใจของเขาเนี่ยความทุกข์มันน้อยลงน้อยลงน้อยลงนะใจเนี่ยมันเต็มไปด้วยความสุขความร่าเริงความเบิกบานบางคนยากจนแต่มีความสุขนะคนรวยบางคนไม่ไม่มีความสุขแต่ลูกศิษย์หลวงพ่อมีทั้งจนทั้งรวยนะไม่ได้ผูกขาดว่าต้องจนหรอกบางคนเขาก็รวยเขาก็มีความสุขคนรวยบางคนไม่มีความสุขแล้วก็ลูกศิษย์หลวงพ่อมีทุกเพศนะ ไม่จำกัดหรอกเพศหญิงเพศชายเพศผสมเพศสับสนมีหมดเลยะนะกรรมาฐานเนี่ยไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มีขีดจำกัดนะว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ขอเพียงแต่เราใส่ใจที่จะเรียนรู้ตัวเองเท่านั้นเองแล้วไม่นานนะในเวลาไม่นานเดือนสองเดือนนี่เองเราจะยกระดับจิตใจของเราแล้วเราจะมั่นใจว่าเราเกิดมาทําอะไรเราเกิดมาเพื่อจะมาเรียนรู้ศาสตร์แห่งความพ้นทุกนี่เองเมื่อเราพ้นทุกได้เราได้รับความสุขอันมหาศาลเกิดขึ้น ความสุขนี้เอาเงินก็ซื้อไม่ได้เพราะคนมีเงินก็ไม่ได้มีความสุขความสุขนี้เอาอะไรซื้อไม so, so like like well, ่ได้เลยมันแลกมาด้วยการที่เราเรียนรู้ตัวเองดังนั้นเราเรียนรู้ตัวเองมากเข้ามากเข้ายิ่งเห็นความจริงของร่างกายยิ่งเห็นความจริงของจิตใจนะจิตใจยิ่งมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นนะนั่นเป็นความสุขที่มั่นคงความสุขที่พวกเราแสวงหาในโลกนี้เป็นความสุขที่ไม่มีความมั่นคงเลยเพราะความสุขที่เราแสวงหาเป็นความสุขที่อาศัยคนอื่นอาศัยสิ่งอื่น เช่นเราต้องอยู่กับคนนี้ถึงจะมีความสุขถ้าเราไม่ได้อยู่กับคนนี้ไม่มีความสุขอะไรเงี้ยความสุขที่ต้องอาศัยคนอื่นเราก็ต้องคอยเอาใจเขาเพราะว่าอยู่กับเขาแล้วมีความสุขเราก็ต้องอดทนเสียความเป็นตัวของตัวเองไปเยอะเลยแต่ถ้าเรามาหัดรู้สึกกายรู้สึกใจมาเรียนรู้ความจริงของกายของใจจนะิตใจมันพ้นจากอำนาจของความอยากไปเรื่อยๆ น, นะยิ่งพ้นมากนะยิ่งมีความสุขมากถ้าพ้นได้เด็ดขาดนะที่เรียกว่าเป็นพระอระหันต์พระอระหันต์ ใจจะไม่มีความอยากใดๆเกิดขึ้นเลยใจนี่จะเต็มไปด้วยคุณธรรมฝ่ายดีนะอย่างโมทีฟที่ทำให้ทำงานนี่จะเเรื่องของความเมตตาความกรุณาอะไรพวกนี้นะอยากช่วยเหลือสรรพสัตว์อะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่เพื่อจะยิ่งใหญ่เพื่อจะดังเพื่อจะหาเงินอะไรเงี้ยจะไม่มีความรู้สึกอย่างนั้นเกิดขึ้นงนั้นพวกเราไปเรียนดูนะค่อยๆสังเกตไปเรียนรู้ความจริง ฟังทีเดียวฟังยากฟังยากเอาซีดีไปแล้วไปฟังอีกมีซีดีแจกไหมอาจารย์เอาไปแล้วอะไปห้อยหลังช้างนะควรเอาไปห้อยซีดีหลวงพ่อไปห้อยแขนเอาไปฟังนะฟังฟังให้รู้เรื่องแล้วจะรู้ว่ามันคือการลงทุนครั้งสำคัญในชีวิตของเราเองนะนี่คือการลงทุนให้กับตัวเองแล้วละ่ะ มันเป็นสมบัติที่จะติดตัวเราไปตลอดชีวิตเลยนะคือธรรมะนี่เองฟังไปแล้วเข้าใจขึ้นมาใจเข้าถึงความสงบสุขมีความสุขได้ความสุขละคนในโลกหาความสุขดิ้นพลาดพลาดไม่มีความสุขเราเรียนรู้กายรู้ใจตัวเองเข้าถึงความสุขที่แท้จริงได้ไปลองดูนะทําดูวันนี้ต้องชมนะไม่ค่อยหลับบางรุ่นนะ บางรุ่นนี่หลับเลยหลวงพ่อจำได้มีอยู่รุ่นหนึ่งผู้หญิงหลับก่อนเลยนะพอมานอนปุ๊บหลับเลยหลวงพ่อก็บอกประกาศนอนหลับหลวงพ่อก็ไม่ว่าหรอกแต่อย่าอ้าปากหน้าหน้าเกลียดแต่นั้นไม่กล้าหลับอีกเลยพยายามฝืนลืมตานะตัวหลับแล้วอ้าปากบางทีพระก็ต้องมีลูกเล่นเหมือนกันเพราะโยมมันจะหลับ ไปเทศที่นี่ที่นี่แลหวั็ที่ไหนที่มีคณะวิศวะอะไรชที่ที่ทเออที่อื่นอาจารย์เขาบอกเลยนะว่าหลวงพ่อวันนี้มีคณะวิศวะฟังนะมันไม่สนใจเลยเราอ่านไม่สนใจแล้วไปเรียกมันมาทําไมเดี๋ยวเคยดูนะหลวงพ่อพ อ, พอหลวงพ่อเริ่มเทศมันก็หลับเลยปรากฏไม่มีใครหลับใครฟังหลวงพ่อเทศแล้วหลับเนี่นะต้องเข้าขั้นเลยอัจฉริยะหายาก เนี่ย พ, พวกเริ่มแซวกันละใครหลับเห็นไหมนะแต่ทางเนี้ยยอดเอตทักขาขนาดพูดอย่างนี้มันยังหลับได้เลย <c oughs> เอาละความสมควรใครจะส่งกันบ้านพวกเด็กๆฟังไว้นะคนที่เขาส่งกันบ้านเนี่ยคือคนที่เขาเคยเรียนกับหลวงพ่อมาลองฟังดูว่าเขาพูดเรื่องอะไรพูดเรื่องอะไรที่มนุษย์ฟังไม่รู้เรื่องอะ่ะนะว่ามา พิรำลึกหลวงพ่อครับอืมอ่าผมก็ปฏิบัติในรูปแบบก็มีการเจริญอาณาปานาสติแล้วก็เดินจงกรมอืมอ่าที่ผมเลือกสองอย่างนี้เพราะว่าผมเป็นคน โ, โสดจริตแบบสมบมุีมีเพื่อนชวนผมไปเข้าที่อะไรนะเป็นเออย่เอ่ยชื่อ <laughs> เดี๋ยวเขาว่าบลัฟรับอ่าอ่าเป็นการปฏิบัติธรรมสร้างจังหวออะอขบเคียวอะไรแต่รู้สึกว่ามัน มันอยู่ที่จริตที่ใสนะ ไ, น<ช>ไม่ใช่ของเขาไม่ดีของ<ต>เขาก็เหมาะกับเขาแต่มันไม่เหมาะกับผมเพราะว่าผมขี้ลำขาดอะไรประครับเหมือนกันหลวงพ่อเคยเจอหลวงพ่อเทียนนะเข้าไปดูหลวงพ่อเทียนขยับสิบสี่จังหวะเออหลวงพ่อเทียนภาวนาดีะดูคนอื่นขยับตามมันก็ได้ไม่ได้อย่างหลวงพ่อเทียนเรามาทํำสิบสี่จังหวะแล้วลาคาญเราคนใจร้อนอ้ต้องเยอะแยะลาคาญนะเลเหลือนิดเดียวเลยแค่นี้ ขยับแล้วรู้สึกขยับแล้วรู้สึกถ้ามันเมื่อยนะเล่นอย่างนี้เลยนะคนมันนึกว่าเราอุ้ยตาคนนี้มันเป็นแรงมันนั่งนวดตัวเองนวดแล้วสบายไหมเออสบายแต่มันรู้สึกตัวมันอยู่ที่จริตนิสัยแต่ละคนนะแล้วไงอะ่ะแล้วก็ไออ่าสิ่งที่ผมได้ก็คือผมจะ ร, รู้สึกตัวเร็วขึ้นรู้เวลาเวลาที่ผมดูลมหายใจเนะี่ยอือ่า เวลาจิตมันเผลอไปคิดปั๊บก็รู้แหละ เ, เออถ้าถ้าหายใจเรารู้ว่าจิตหนีไปคิดตัวอย่างใช้ได้ถ้าหายใจเราจ้องลงที่ลมหายใจใช้ไม่ได้นะแล้วก็ไอไอส่วนเดินจงกลมเนี่ยผมไม่ได้ไปเดินในรูแต่ว่าเหมือนเดินไปซื้อของอะไรประมาณนะั้นก่อนที่ผมออกจากบ้านผมว่าะจะจะรู้สึกในกายก่อนว่าเดี๋ยวเดินไปละแล้วก็เดินไปตามปกติไม่ได้มีท่ามันเดินให้ดูหน่อยได้ไหมมีที่อยู่หน่อยนึงเนี่ย เฮ้ยอย่าคุยสิเดินไปบังคับใจแล้วบังคับเยอะไปรู้สึกให้สบายนะงั้นเราไปรวบจิตเข้ามารู้สึกสบายๆอย่างขณะ น, นี้รู้สึกไหมจิตเราไม่เป็นธรรมดานะมันตึงกว่าธรรมดานิดนึงนะรู้สึกไหมจิตเราอยู่ข้างนอกนะมันไม่ย้อนเข้ามาที่ฐาน ดน้นใจเราต้องตั้งมัน่นต้องถึงฐานโดยที่ไม่ได้บังคับวิธีอย่างหายใจไปแล้รู้ทันจิตที่ไหลอันนั้นถูกแล้วนะไปฝึกบ่อยๆแต่ตรงเดินเนี่ยเดินรู้สึกตัวสบายไม่ต้องกระแทกตึงๆก็ได้นะกลัวกัวสติจะอ่อนเดินตุ๊บๆ๊อตุบต๊บๆนะเดินสบายๆมันต้องมีความสุขสมาธิถึงจะเกิดถ้าเดินแบบบังคับตัวเองมากไม่มีความสุขให้สบายไ กรรมสการดหลวงพ่อครับก็มาส่งครั้งแรกครับก็จะมากราบขอพระคุณหลวงพ่อครับว่าได้ฟัง ถ, ถูกแล้วละ่ะเจดีครับแล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นครับถูกแล้วแล้วก็จิตขนาดนี้อยู่ที่ไหนจิตออกมาข้างนอกจิตอยู่ข้างนอกเออถู ก, ถกสังเกตไหมว่ากายกับใจมันแยกกันแยกกันครับนะความสุขทุกข์ดีชัว่วกระใจก็แยกกันครับนะแต่ว่าถ้าจิตไม่เข้าฐานนะมันถึงแยกอยู่นะมันไม่เดินปัญญา จ, จริง เราก็รู้ทันว่าจิตไม่เข้าฐานัสมาธิจาเป็นมาธิที่จิตตั้งมั่นแต่ว่าอย่าบังคับให้ตั้งถ้าบังคับให้ตั้งก็ผิดอีกถ้าไม่ตั้งก็ผิดอีกนะฟังแล้วยุ่งยากไปหมดเลยนะไปฝึกนะทามาได้ดีแล้วละขอบคุณครับอย่างขนาดนี้ <c oughs> เรารวบจิตเข้ามาแล้วนะเรารวบจิตเข้ามาจะแน่นนะเราอย่าไปรวบมัน เออนะเราอย่าไปบังคับมันจิตเหมือนเด็กจิตไม่ชอบให้ใครบังคับแต่เด็กพวกนี้โดนบังคับมาฟังนะ ข, ขอโอกาศครับหลวงพ่อครับครั้งส่งการบ้าครั้งนี้ก็ห่างจากครั้งที่แล้วประมาณหนึ่งหนึ่งปีครับเออก็ปีที่ผ่านมาก็ก็ไปทําก็เห็นไม่ว่าใจเราเปลี่ยนเปลี่ยนไหแต่มันไม่ค่อยมีแรงนะครับหลวงพอ่อไม่มีแรงก็ทําสม่ําเสมอ จิตเนี่ยกับร่างกายไม่เหมือนกันนะร่างกายเคลื่อนไหวแล้วมีแรงนะจิตเนี่ยสงบแล้วมีแรงนั้นถ้าเราเจริญปัญญารวดไปเนี่ยใจมันฟุ้งซ่านมันหมดแรงเราไม่ทิ้งสมถะนะแต่เราทำสมถะบ้างปีที่ผ่านมาเลี้ยงลูกครับโอเป็<ห>นนักบอลสามขวบ<ห>นัก<ห>บอล น, นะ <laughs> วันๆเลี้ยงลูกรับลูกส่งลูกเนะ <laughs> มีมีจุดหนึ่งที่ผมสงสัยครับคือเวลาผมทําในรูปแบบเนี่ยผมจะใช้วิธีการรู้สึกตัวแล้วก็รู้สึกตั ว, ตวจํานวนผ่อนคลายแล้วก็สบายนะครับแล้วผมก็มันจะแยกแยกตัวแยกผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้ออกมานะถูกผมทําถูกไหมครับถูกแต่ตรงผ่อนคลายอย่าแกล้งผ่อนคลายนะอย่าน้อมใจให้ผ่อนคลายมากไปขอขอขอคำแนะนำด้วยครับมันทําอีกไปทำถูกแล้วละ แต่ว่าแรงมันไม่พอวิธีที่ให้สมาธิเกิดง่ายๆเนะีย่ยเวลาเราเลี้ยงลูกอยู่เนี่ยบางทีเราก็รำคาญลูกใช่ไหมบางทีเราก็รักลูกบางทีก็รำคาญใจเราจะแปงไปแปงมาใจเราโมโหไม่ต้องไปแก้รูว้ว่าโมโหนะไม่ชอบที่โมโหรู้ว่าไม่ชอบนะถ้าภาวนาเข้ามาถึงจุดที่รู้ทันใจที่ชอบใจไม่ชอบนะใจจะเป็นกลางสมาธิจะเกิดอย่างรวดเร็วเลย ท, ทั้งทงที่เลี้ยงลูกอยู่เนี่ยจิตจะมีพลังขึ้นมาเลยให้รู้ทันจิตที่ยินดียินร้ายอะ่ะถ้าจิตเข้าสู่ความเป็นกลางได้นะจะเกิดพลังเนี่ย ว, วิชากำลังภายในนะนะกักสกษาพรชาชนะครับว่างไงก็คืออ่าส่งการบ้างครั้งที่สองครับส่งการพั้งครั้งที่แล้วพระอาจารย์บอกว่าอย่าไปเชื่อความคิด แล้วก็ให้รู้ทันสภาวะที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นผมก็กลับไปทำโดยปกติแล้วเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยผมอาศัยกาบอนาปนสติแล้วดูความคิดที่เกิดขึ้นแต่ครั้งนี้ผมรู้สึกว่ามันจะไหลไปนานมากผมเอาคำบุญกรรมเข้ามากํำกับหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทแล้วพบว่าเมื่อเมื่อไหร่ที่พุทธโทหายไปความรู้สึกตัวจะเกิดขึ้นแป๊บเลยครับ หลังจากนั้นตรงเนืผากส่วนหน้าตรงนี้ครับมันจะรู้สึกโลง่งๆสวายครับใช่ครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยแล้วมีจะมีความคิดเถูกผุดขึ้นมาจากตรงหัวเนี่ยครับอืแล้วก็นี่คือการทําในรูปแบบมารทาอย่างเงี้ยครับแล้วก็ถ้าวันไหนที่ผมทำํำปกติแล้วผมจะทํารูปแบบตอนเช้าแต่ถ้าทำไม่ได้เนี่ยผมจะอาศัยคือการซอยเวลาอือย่างเช่นถ้าเดินทางผมก็ทําบนรถไปเลยอืถ้ามีโอกาสผมก็ทำตรงเงี้ยครับอย่างนี้ แล้วก็ส่วนในชีวิตประจําวันเนี่ยก็คือผมจะรู้สึกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่โลภะโทสะแล้วก็ราคะมันจะมากระทบมันจะอยู่ตรงแถวหน้า อ, อกเนี่ยครับรแต่ก็แต่สังเกตดูว่าจิตใจตรงเนี้ยมันจะยังสว่างอยู่แล้วก็เมื่ อ, อไหร่ที่เรารู้รู้สึกเมื่อไหที่เรารู้ทันมันเนี่ยตรงนี้มันจะหายไปคือผมไม่มั่นใจว่ามันคิดไปเองหรือว่ามันรู้สึกจริงๆริงครับ <S <S ไม่คิดหรอกแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นเรื่องของสมาธิเยอะเกินอ่นะ เราไปจับเอาตัวรู้ไว้ครันะไอ้ตัวเนี้เราทรงอยู่ยังเก็บไหมไตัวนี้เหมือนเที่ยงครับนะตัวอื่นไม่เที่ยงแดนี้เที่ยงนะเพราะงั้นยังไม่หมดนะครับมันจะเป็นโสดาบันไม่ได้มันยังสงวนตัวหนึ่งเที่ยงเอาไว้นะแล้มันจะไปรู้สึกไอ้เนี้ยเราเหรอว่าอครับผมแล้วก็บางครั้งเนี่ยตอนทำในในรูปแบบครับ เหมือนว่าเดี๋ยวพอตัวนี้รู้แล้วมันก็หลงไปเอออย่างนั้นใช้ได้ครับผมคือในรูปแบบจะเห็นแต่ว่าทอยชีวิตจิตวัญญาณตรงนี้จะไม่เห็นเลครับถ้ามันตั้งเด่นดวงอยู่ทั้งวันนี้ใช้ไม่ได้นะครับไ อ, อ้ที่ทําอยู่เนี่ยเป็นสมถะไปหมดเลยครับนะให้มันเป็นธรรมชาติหลวงพ่อแต่ก่อนก็ทํานะตั้งแต่เล็กๆหายใจเข้าพุทหายใจออกโทรนับด้วยนับหนึ่งพูดโทรนับสองนะพอจิตสงบมากขึ้นนะไอ้ตัวนับก็าหายไปเหลือหายใจเข้าพุทหายใจออกโทร เัสงบมากขึ้นนะพุโทโธหายไปเหลือแต่ลมเราสงบมากขึ้นนะลมหายไปเป็นแสงนะต่อไปภาวนาต่อไปก็เหลือแต่จิตอย่ารักษาเนี่ยรวบจิตอย่างนี้รักษาตัวรวยต้องระวังนะตัวนี้แก้ยากถ้าจิตติดสมาธิอยู่ที่จิตผู้รู้เนี่ยเป็นตัวที่แก้ยากที่สุดเลยแก้กันแดมปีเลยงั้นอย่าประคองตัวผู้รู้ไว้ขณะนี้ประคองอยู่รู้สึกไหมนะ ต้องให้ผู้หญิ ง, งข้างๆทุบสักทีสังเกตไหมขนาดหัวเราะนะยังไม่หลุดเลยเออจิตยังจับเอาไว้อยู่มันเหมือนว่ามันจะจ้าอยู่ข้างหน้านั่นแหละนั่นแหละไม่ดีนะออย่าไปสงวนรักษาตัวรู้ไว้ให้มันเป็นธรรมชาติให้มันหลงบ้างรู้บ้างดีกว่ารู้ตลอดเป็นเพราะว่าครั้งที่ได้ท่สงการบ้านพระอาจารย์บอกว่าสมาธิไม่พอครับเอ่านี้เลยมากไป สมาธิมีหลายแบบนะสมาธิตัวนี้มันกลายเป็นอารมณูปนิชฌานจะไม่เดินปัญญาถ้าสมาธิที่เป็นรักนงปนิชฌานจิตถึงฐานไม่ได้รักษาตัวนี้ไว้จิตเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูโดยที่ตัวนี้ไม่ชัดขึ้นมาอย่าไปจับตัวรู้ไว้ปล่อยเนี่ยเริ่มหลุดออกมาแล้วรู้สึกไหมมันเริ่มหลุดออกมาแล้ว ถ้าอยู่ใกล้ๆหลวงพ่อถูกเขคหัวสองทีก็หาย อ, อีกเรื่องหนึ่งครับก็คือก็ตอนนี้คือผมเจอข้อบกพร่องอีกเรื่องหนึ่งกคือว่าคือเหมือนว่าใจเนี่ยมันมีความสับเปล่าครับเหมือนว่าเวลาทำงานเนี่ยครับมันมันขาดความรอบคอบมันไม่สนใจจะทํามั่งมันขี้เกียจทํางานน่ะสิ<ต>ทำตรงนี้ยังไงครับมันต้องมีศันทธาต้องรักงานก่อนไม่งั้นมันก็จะหนีไม่สนใจหรอก ใส่ใจลงไปเขาจ้างเรามาทํางานถ้าเราไม่ยอมทําก็ถือว่าคอร์รัปชันกราบนรรมสการเจ้ากับพระอาจารย์เขาที่แล้วไปส่งกันบ้านพระอาจารย์บอกว่าให้เผากายเจ้าค่ะแต่วันนี้มาถึงมันก็มันก็บรวบลมหายใจจนแน่นตนพระอาจารย์พูดถึงทุก์นี่มันแน่นจนหน้าอกตรงเหมือนกับจะหายใจไม่ออกเจ้าค่ะก็ พิจนาทุกอยู่เจ้ค่ะแต่ว่าถ้าถ้ามันไม่ไหวนะย้อนมาดูจิตเลยก็ได้นะให้เห็นว่าจิตไม่ชอบมันไม่ต้องไปดูที่ตรงตัวทุกละให้ดูปฏิกิริยาที่จิตเลยจิตไม่ชอบสภาวะอันี้รู้วไม่ชอบเข้ามาที่ความไม่เป็นกลางอ่ะถ้าเรารู้ทันความไม่เป็นกลางของจิตนะจิตจะเป็นกลางสมาธิมันจะเกิดนี้ถ้าสมมติว่าพอมันเราก็ดูอยู่จ้แต่มันไม่ทันมันก็จะไป ความรู้สึกมันก็คือเราเปลี่ยนอิียบทีไหม้มันจะได้ได้เปลี่ยนได้เปลี่ยนอิเดียบทร่างกายมันก็ยังมีอยู่นี่ไม่ได้หายไปไหนก็มันก็จะปรับสักพักมันก็จะเป็นธาตุลมเราก็จะหายแต่ว่าตอนเนี้ยตอนพูดอยู่ก็ยังรู้สึกว่าเราล้วบเราร้วบก็ไปที่ลมหายใจเอาร้วบอยู่มันชินแล้วเราจะแก้ยังไงเจ้าเห็นมั้มใจคล่ำครวนเห็นจิตที่กําลังคล่ำครวนไหม อันนี้ไม่เห็นจ้ะแต่รู้ว่ามันอยู่อ่งนี้นดูออกอยั่รู้เข้าไปตรงๆเลยนะมันหายเลยทุกครารู้ทันจิตไป ค, คือรู้ว่าไอ้ตรงเนี้ยไม่เห็นแต่เคยเห็นข้าควรเรื่องอื่นเอ อ, อ่างตอนเนี้คุยกับหลวงพ่อยังพยายามข้ามควรกับหลวงพ่อเลยรู้สิไหม <laughs> คล้ายๆขอความเห็นใจเนะือรู้ทันมันเข้าไปเลยคือถ้าดูกายแล้วอึดอาดน่ะก็้ามาดูจิตเอา ถ้าดูจิตก็อึดอัดดูกายก็อึดอัดก็เลิกมันไปเลยไปหาอะไรทาอย่างอื่นก่อนเปลี่ยนอารมณ์ไปหาใจผ่อนคลายแล้วค่อยมาภาวนาใหม่การภาวนาเนี้ยไม่รีบร้อนค่อยๆทําไปถ้ารีบร้อนมากแล้วอึดอัดทําเล่งๆจริงจังไปร้องเพลงเป็นไหมเป็นใช่ค่ะแต่ไม่ค่อยร้องแล้วออกมาร้องซสกเพลงไหม <laughs> <laughs> เด็กๆร้องไห้เลย <laughs> S <S ยังไม่ยอมหลุดทีเดียวนะนึกเ อ, อกไหมมันยังจับไว้เเห็นอยู่จ่มแต่แต่ว่ามันอ่อนลงรู้สึกไหมเนี่ยดูตัวนี้ก็ได้เดี๋ยวแรงเดี๋ยวเบาเดี๋ยวแรงเดี๋ยวเบาอย่างตอนนี้มันเบาลงนะตอนนี้เริ่มแรงขึ้นแล้วนยรู้ทันอย่างนี้ก็ได้แล้วก็ถ้าแรงขึ้นมาไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบเบาแล้วชอบรู้ว่าชอบรู้อย่างนี้เลยทำเล่น กลาวขอเขามาประจารย์ด้วยจ้ะเพราะตอนแรกๆที่ฟังอย่างนเอ๊ะทำง่ายๆอย่างนี้จะใช่หรืออะอย่างนี้ของ่ายอะสิเพื่ขอเจ้าเรื่องพูดเลยนะเหมือนของง่ายเหมือนเปิดของคว่ําให้หงายอะไรอย่างนี้ของง่ายๆเหมือนจุดไฟขึ้นมาจุดตะเกียงขึ้นมาเนี่ยคนมีตาก็มองเห็นะจุดตะเกียงแล้วมันมีแสงมันก็มองเห็นเป็นเรื่องง่ายๆไม่มีอะไรยากหรอก ข อ, ขอบคุณทุกท่านแบบมาสการ์กันเด็กทางนี้ใจลอยไปหมดล้ววิธีดูนะคือเวลาใจลอยเนี่ยเราจะลืมตัวเองอย่างเราไปคิดเรื่องอื่นนะเราคิดๆเรารู้เรื่องที่เราคิดนะแต่ขณะเนี้ยร่างกายของเราเป็นยังไงเราไม่รู้สึกเลยขณะเนี้ยจิตใจเรามีความรู้สึกยังไงเนี่ยเราไม่รู้สึกเลยเราจะรู้แต่เรื่องคนอื่นรู้แต่เรื่องสิ่งอื่นแต่เราไม่รู้สึกว่าร่างกายเราเป็นกำลังเป็นยังไงจิตใจเราเป็นยังไง พยายามรู้สึกนะอีกหน่อยจะได้ส่งกันบ้านอย่างนี้เป็นเป็นเรื่องแปลกๆนะบางคนนะภาวนาเห็นโน้นเห็นนี่อะไรต่ออะไรรู้ข้อสอบรู้อะไรนะ่ ะ, ะส่งกันบ้านครั้งแรกค่ะชีวิตเหมือนเกิดใหม่ค่ะถูกที่ภาวนาใช้ได้ค่ะก็มีมีครั้งหนึ่งผ่าตัดค่ะเราหมอกแก้งไม่ฉีดยาชาอืมเจ็บปวดมากค่ะหลวงพ่อ มันลืมหรือเปล่าหมอจงใจหมอบอกแป๊บเดียวแป๊บเดียวค่ะหมอนั้นไม่เห็นขันแตกหลวงพ่อเคยคุยกับหมอนะหมอที่เคยถูกผ่าเขาจะรู้ว่าคนไข้รู้สึกยังไงหมอที่ไม่เคยถูกผ่าเนี่ยไม่ค่อยรู้สึกหรอกใช่ไม่เห็นใจใช่จริงะแต่ว่าเราได้กำไรแล้วล่ะวันนั้นด่าหมอด้วยค่ะ ด่าแรงมากเลยแต่มันเหมือนมีอะไรดีดออกมารู้สึกตัวขึ้นมานั่นแหละจิตมันจะดีดออกมานะใช่แล้วมันจะเห็นร่างกายก็ส่วนร่างกายนะความเจ็บก็ส่วนความเจ็บใช่มันจะแยกกันหมดเลยแต่มันเจ็บอยู่นะคะเจ็บสิแต่แต่มันจะเห็นนะใช่ค่ะร่างกายไม่ได้เจ็บจิตไม่ได้เจ็บแต่ความเจ็บมีอยู่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่เจ็บแบบมีสติ แต่แบบเห ม, ม <S <s ือนเหมือนจิตใกล้ดับนะคะหลวงพ่อเหมือนร่างกายมันทนไม่ได้ก็เรียกหลวงพ่อในใจเลยหลวงพ่อช่วยลูกด้วยหมอหยุดเลยอืมหมอบอกเสร็จแล้วจริงค่ะหลวงพ่อแล้วหลังจากวันนั้นมาโยมโยมบอกตัวเองว่ายอมไม่ยอมแพ้แล้วชาตินี้ไม่พ้นก็ต้องไปอีกต้องทําให้ได้ถ้าฝึกมาถึงจุดนี้นะมันพอจะช่วยตัวเองได้แล้วเวลาเกิด อะไรฉุกเฉินในชีวิตนะอย่างรถคว่ำลดงายอะไรเนี่ยจิตจะดีดพางออกมาเลยตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาเลยไม่มีพลาดหรอกไม่มีอะไรน่ากลัวเท่าไหร่หรอกหลังจากนั้นก็ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่กลัวไม่ค่อยกลัวอะไรอย่างเงี้ยสังเกตไหมตั้งแต่วันนั้นมาเนี่ยขันมันแยกขาดใช่ค<า><ข>่ะของพ่อไม่ขาดเลยใช่ค่นะสังเกตไหมว่าใจเราเนี่ยคล้ายๆอะไรเข้ามากระทบไม่ค่อยจะถึงใช่ค่ะ นะสบายนะค่ะสบายมีความสุข ม, มัน เ, นเนหมือนเราเ่ายขึ้นนะง่ายเราขันมันแยกไปหมดอัตโนมันติล้วดีแดดทีนี้เมื่อสองสามวันนี้ค่ะไม่ทราบว่าเป็นเพราะวัยหรือเปล่าเพราะว่าเพื่อหลายคนบอกว่าอาจจะเป็นที่วัยทองหรือเปล่าพอภพาวนาค่ะหลวงพ่อพอเหมือนได้ระดับหนึ่งปุ๊บจะเห็นร่างกายตัวเองว่า ค, คิ้วเนี่ยค่ะมันชอบไปยกขึ้นอย่างเงี้ย ม, มันยกขึ้นมาแล้วมันจะกลายเป็นมึนไปตรงนี้ค่ะ เลยไม่ทราบว่าพยายามแก้โดยการลืมตาลืมตาก็ได้นะหรือหายใจก็ได้นะหายใจสบายๆหายใจยาวๆลึกๆกันนะแล้วพอลมหายใจลึกเต็มที่มันจะกลับขึ้นจยดันหัวสมองให้โล่งขึ้นนั่นอื่นก็ไม่มีะไรเวลาเสี่ยงตายคาบเส้นเนี่ยเราจะพานาเก่งขึ้นมามีไม่นานเนี่ยมีหมอมาเล่าคนหนึ่งเขาไปผ่า ไทลอยได้เลยเราแพ้ยาทำท่าจะตายนะใจมันนี่มันเด่นดวงขึ้นมาเลยคอยบอกหมอที่เป็นคนรักษาทํางี้อย่างนี้บอกได้ด้วยนะเอแทนที่คนไข้จะตกใจนะหมอก็ตกใจหลวงพ่อก็เคยตอนนั้นยังไม่ได้บวดนะไม่ถอนฟันเอาแล้วว่าร้านนี้แหละกำลังปวดฟันอยู่นะเอาร้านนี้ก็กันขี้เกียจไปหาร้านอื่นพอเข้าไปแล้วตกใจเลยหมอผู้หญิงตัวนี้เดียวนะ แล้วแกก็ถามแกถอนไหวไหมไหวไหว้วปรากฏให้แกถอนไม่ไหวแฉีดยาแล้วแกก็ดึงดึงก็ไม่ไหวนะแกจะร้องไห้แล้วก็บอกหมอใจเย็นใจเย็ น, ยน <laughs> <laughs> ดูสิปวดฟันแทบแย่นะยังต้องไปปลอบหมออีกเรือ <laughs> <laughs> ใ, ใจนะพอภาวนาไปเรื่อยมันจะเด่นอย่างนั้นไม่กลัวหรอกการนมัสการค่ะหลวงพ่อ ทั้งที่แล้วส่งกันบ้านหลวงพ่อบอกว่าให้ไปดูในชีวิตประจําวันนะคะแล้วก็ดูส่วนใหญ่จะเห็นกายอะคะ่ะไม่ค่อยเห็นจิตเท่าไหร่อแล้วพ อ, อปฏิบัติในรูปแบบอะคะ่ะมีความสงสัยว่าเห็นสภาวะที่มันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปอแล้วมันมันไม่ได้ไปจับอะคารรู้สึกเฉยเฉยก็เลยรู้สึกว่าเอออันนี้มันเฉยจริงหรือว่ามันขี้เกียจไปดูหรือว่ามันไม่ขี้เกียจหรอกมันภาวนาเก่งขึ้นค่ะหนูก็เลย สังเกตไหมใจเราสบายขึ้นสังเกตใจเราโปร่งสว่างสวยก็รู้สึกว่าอย่างนี้หรือเปล่าคะที่เขาเรียกว่าจืดๆเห็นสภาวะอะไรผ่านมาแล้วก็ผ่านไปอะค่ะแต่ถ้าไปจงใจไม่ไม่เห็นนะตจงใจไม่เห็นนะคะจะไปคิดเอาแต่อย่างนี้เราไม่ได้เจตนามันเห็นเองไหลมาไหลไปไม่ใช่เพ่งใช่ไหมคะถ้าขนาเนี้ยเพ่งแต่ตอนนั้นไม่ได้เพ่งค่ะ ก็ขนาดนี้ตื่นเต้นแล้วค่ะก็แล้วหนูมีอะไรที่ที่จะต้องแก้ไขไม่ต้อง น, น ะ, น ะ, ะฝึกไปเรื่อยๆแนวโน้มมันดีขึ้นแล้วละ่ ะ, อ, ะอยู่ที่การสะสมแล้วชั่วโมงบินกบค่ะพระพุหธวงคอค่ะในมรสการหลวงพ่อครับตอนนี้ที่ปฏิบัติอยู่คือ เดินไหว้พระแล้วก็เดินอย่างคมประมาณสิบห้านาทีเช้าเย็นเนี่ยอืส่วนกลางวันก็ชดูพุโทโธครับมผมนับพุโทโธหนึ่งไปถึงพุทโธพันเนาะแล้วกลับมาพุโทโธหนึ่งเนียเรนที่ฐานหลวงพ่อคือผมอ่านหนังสือหลวงพ่อแล้วบอกว่าหลังจากนี้ให้เราพินารณแยกธาตุแยกขันธ์มันเริ่มแยกแล้วละ่ะขนาเ น, นี้ยมันก็เริ่มแยกแล้วรู้สึกไหมตัวอะไรพยักหน้าเนี่มันก็แค่รู้สึกกายกับใจมันคนละอันกันนันแหละขันธ์มันแยก แล้วสังเกตออกไหมอย่างความสุขความทุกข์นะี่มันไม่ใช่จิตหรอกมันไหลามาไหลไป <ens ues. S 2> หรือโลบโกรธหลงมันก็ไหลามาไหลไปไม่ใช่จิตหรอกนี่แหละขันมันแยกตอนนี้มันแยกขันแล้วละแล้วเราก็คอยรู้ทันถ้าจิตไม่ถึงฐานเราก็รู้ทันอย่างขณะนี้ไม่ถึงฐานคือบอกไหมจิตเต้นเต้นนส่วนหนึ่งนะนะจิตกระจายออกข้างนอกีจิตวิ่งไปอยู่ที่หลวงพ่อบ้างวิ่งไปคิดบ้างสลับไปสลับมานะนะีวิ่งไปคิดแล้วนะเราก็รู้ทันเอา สังเกตไหมมันเป็นของมันเองดูอย่างนี้เรื่อยๆนะดูมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามันเป็นของมันเองนั่นะการเจริญปัญญาไม่ทำต่อแล้วตัวพุโทโธที่ที่เราใช้เนี่ยต้องคนหรือว่าเราดูดูที่ไม่บริกรรมเป็นแบ็กกราวด์ไปพุโทโธพุโทโธทําตลอดเลยนะไม่เลิกหรอกรรแต่พุโทโธแล้วเราก็รู้ทันจิตใจไป ก็รู้พุทโธแล้วใจสุขก็รู้ทุ ก, ก็รู้ดีก็รู้ชั่วก็รู้ครูบาอาจารย์เคยสอนนะหลวงตามมหาบัวฉันบอกท่านพุทโธแต่ต้นจนจบเลยไม่ทิงพุทโธนั่นเป็นกรรมฐานถ้าเราทําแล้วเจริญขึ้นเราก็ใช้อันนี้แหละเราไม่ต้องไปเปลี่ยนไม่ต้องทิ้งคือปฏิบัติไปอย่างนี้ก็ใช้ได้แล้วใช้ได้รู้สึกมไหมล่ะว่ามันดีขึ้นรู้สึกอะรู้สึกไหมจิตมันมีพลังมากขึ้นรู้สึกแรงขนาะดนะนะดี คุณครับหลวงพ่อครับอีหน้าหลงพ่อขอถวายสังฆทานกันให้เด็กๆได้มีโอกาสหลวงพ่อผู้เป็นเนื้อนาบุญมาถึงมหาแหของเรานะลูกขอ ล, ก ล, กลูกตั้งใจแล้วก็มันจะเป็นตัวแทนที่จะที่จะกล่าวนะคะอีมานิอิมานิมะยังพันเตะยังพันเตสังฆทานนานิ สังคทาน an ิสปาริวารานิสปาริวารานิพิกุสังคสั ty, ิกุสังคสักอโนชยามะอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเติกุสังโคพิกุสังโคอิมานิอิมานิสังคทานนิสังคทานนิสปาริวารานิสปริวารานิปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากังอัมหากังทีครัตตังทีรัตตังิตายะ าตสุขายะสุขายะถ้าแต่ขาสงฆ์ผู้เจริญข้าสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายน้อมถวายเครื่องสังฆทานเคื่อสังฆทานกับของที่เป็นบริวารกับของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหลายเหล่านี้แด่หลวงพ่อปาโมทปาโมโชหลวงพ่อปามโมทปามโมทโชขอหลวงพ่อจงรับ ซึ่งเครื่องสังฆทานเครื่องสังฆทานกับของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้เพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายแกย่ญาติมิตรทั้งหลายแก่ญาติมิตรทั้งหลายสิ้นการละนานเทินสิ้นกาลนานเยะถาว า, าริวหา ป, ปุราปริภูเรนติสาครัง เอวามวาอิโตทินังเปตานังอุปกระปติอิชิตังปฏิตังทุมหังคิปเมวะสมิจฉตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโธปนรโสยธามณีโชติรโสยธาสัพพีติโยวิวัตฉันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตพวัตวันตรายโยสุขีที่ายุโกภวะอาภิวาธนาสีลิสนิจังุทธาปจายโน จตารโรธรมาวทันตีอายุวันโนสุขังพระลังพวกเราฟังแล้วก็แปลได้แค่อายุวันโนสุขังพลัง <laughs>